ขอความสุขความเจริญจะมีเด่ท่านสาารชนทั้งหลายติดฐานยตนสูตรที่เร า, ราวไว้ในวันก่อนถึงความเชื่อในลัทธิต่างๆสามประเภทคือตึวว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นเกิดขึ้นมาจากกรรมในชาติก่อนหรือกรรมปางก่อน อีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องของเทพเจ้าต้นบรรดาลมีพระอิศวนเป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรจะเรียก ว, ว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญบ้างเกิดนย ล, ลอยๆบ้างเกิดขึ้นโดยไม่เหตุปัจจัยบ้างหรือปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลที่ ให้เกิดความสุขความทุกข์หรือว่าเป็นนิ้ธทางความดีความชั่วที่พิะเจ้าทรงปฏิเสธความเห็นทั้งสามชนิดว่าจไม่ถูกต้องทั้งนั้นบางอย่างก็อาจจะถูกบ้างนิดหน่อยนะฮะเช่นอุปกรรมแต่ว่ากรรมของเราก็ไม่มีเฉพาะกรรมเนอดีอย่างเดียว มันมีกรรมตามสมควรก่เหตุอดีตก็มีปัจจุบันก็มีเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ละขนะดในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงสังส่งสอนเฉพาะในที่นี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องในเรื่องที่ยกมายก็ค่อนข้างยากส่งแสดงซึ่งความจริงในเรื่องธาตุทั้งห ยรงองอาณาักทั้งหกเรื่องมโนโปวิจารณ์สิบแปดแล้วก็อริยสัจ์กรมาธาตุหกนั้นก็คือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุที่มาเกาะกลุ่มกันก็ขอให้เกิดเป็นรูปเป็นชีวิตขึ้นเป็นคำสอนในแนวของเหตุปัจจัยนะ หมยความว่าการที่สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบถ้าตัวเหตุดักแล้วแม้ขาดไปอย่างเดียวมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างความเป็นมนุษย์ของเราจะเกิดขึ้นโดยขาดวิญญาณธาตุไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีเฉพาะวิญญาณธาตุตัวเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีต้นดินน้ำลมไฟอากาศ น้นาตุเต่ละอย่างยิ่งไปก็ดีหย่อนไปก็ดีนมีปัญหาทั้งท่านยิ่งขาดจึงไม่ได้เลยคือขาดมันมีไม่ได้แตยิ่งไปหย่อนไปก็มีปัญหาจะได้ทรงแสดงเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายก่อนทรงสรุเป็นความยิ่งความหย่อนของธาตุถ้าสมุน้ํามากไปนะฮะก็มีปัญหาเย็ะพยเศ น้ำน้อยไปก็มีปัญหาไฟมากไฟไฟน้อยไปอดินมากไปดินน้อยไปหลุมมากไปหลุมน้อยไปแต่อย่างมันมีปัญหาดังนั้น น, นก็กลายเป็นสัรพโรคขึ้นมากมายแก่กองในคของธาดนั้นได้สรงจําแนกสแสดงเอาไว้ถึงลักษณะที่มาประกอบเป็นเรื่องชีวิตเป็นที่ตั้งความรักความจังการกําหนดว่สวยไม่สวยการกําหนดเป็นมิตรเป็นศัตรู นะที่จริงก็เป็นเรื่องการกําหนดที่ธาตุแต่พฤตเกรรมแนวธาตุจะสอนยอสนหลายแนวนะฮะเพราะโดยธาตจริงๆมันเป็นสภาวธรรมไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองถ้ากลุ่มธรรมมันก็เป็นกลุ่มของทุกข์ัตริย์ต่อเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา ยามใดที่เขาเกบคุมกันมีสัดส่วนมันก็กลายเป็นสิ่งนั้นๆเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่สรุปแล้วชีวิตมันก็กลายเป็นเรื่องที่กว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมลัษณะใดาที่แข็งแข็งซึ่งอยู่ในกายนี้เช่นผมคนได้ปนหนังเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่านอดติดลักษณะพัดผันได้ หายใจลมในท้องลมในใส้ลมตามตัวลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงบื้องต่ำก็ิว่าลมลักษณะที่แทรกซึมอยู่ในส่วนต่างๆร่างกายก็เป็นอากาศสิ่งที่ร่างกาย อ, อกอุ่นร่างกายกระวนกระวายร่างกายสุดโทมเพราะว่าไม่ย่อยก็เป็นธาตุไฟลักษณะอบอาบซึมซับ ต่างๆอิจฉาเป็นหมวดเต๋อก็เป็นถัดน้ําเราจึงพบคําสอนในแนวนี้บางครั้งเนี่ยทรงสอนในแนวที่ให้ทําใจเสมอด้วยดินน้าลงฝ่ายบ้างใหพิจารณาสิ่งที่ก่อให้เกิดกำลนาขัดเครื่องเราในแง่ของความเป็นดินน้าลงฝ่บ้างเ พ, พื่อบันอมันเท่าความกำาังขัดเครืองในบุคคลในศสตัตว์เหล่านั้น แต่ในปริยายนี้ทรงสอนในแนวที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยยิงอาศัยซึ่งกันและกันก็มีความเชื่อมโยงถึงกันแต่ยังมีความสมดุลอยู่ในธาตุแต่ชีวิตสัต์สังขารเหล่านั้นก็เป็นไปได้ในความเม็นาตที่กวักกุ่มมาสุดสรุปแล้วก็เป็นชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นแนวที่ที่ที่เราเคยพูดเรื่อง แตร่มพระพุทธิยานเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันกลายเป็นนามรูปมันก็มีอายตนะหรือตาอูจมุลินกายใจจากความมีอายตนะทําให้ตาเห็นรูปหู ฟ, ฟังเสียงเป็นต้นก็เรื่อยไปตั้งหกนนะฮะตรงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบ ว, ว่าเราเจอเกือบทุกสูตรเลยนะะเจอเกือบทุกสูตรเรื่องอายตนะ เพราะไรเพรว่าโลกเราเป็นโลกของอายตนะคือโลกของสัมผัสการเรียนรู้โลกการเข้าใจโลกการเกิดขึ้นของธรรมะการเกิดขึ้นของกิเลสเกิดขึ้นของความดีความชั่วหรือการกทําดีทำชั่วเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากอายตนะการรับรู้ของเราแล้วคงย่อยทรงย่อยพวกพวกพวกอายตนะเหล่านี้ออกไป เป็นอายตนาภายนภายนอกเป็นรูปองคบิญญญาณด้ยวยความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนนองแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจเต่สังเกตว่าจากความรู้เนี่ยมันมันมันก็แปลสภาพเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่เรารับรู้เห็นเป็นครั้งแรกเราจะมีโมหะคือความไม่รู้ ทุกเรื่องนะให้เราสังเกตทางที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหมดอะไรที่เราไม่รู้ในครั้งแรกนจะเกิดโมหะคือความไม่รู้ก่อนแล้วจะเกิดความอยากรู้มีการสอบถามในการศึกษามีการตรวจสอบดูด้วยประสาทสัมผัสต่างๆนะฮะโดยดูดึงฟังมากยิ่งขึ้นเดยดูมากยิ่งขึ้นฟังมากยิ่งขึ้นสุดดมมากยิ่งขึ้นลิ้มมากยิ่งขึ้นอะไเนี่ย มันจะก่อให้เกิดเป็นความชอบความไม่ชอบเใจก็จะเหนี่ยวสิ่งเหล่านั้นมาปรุงด้วยความชอบความไม่ชอบด้วยความเฉยๆความเฉยๆถ้า ย, ยังมีน้อยอะนะมันก็กลายเป็นพวกเวทนาความตื่นึกเราจะออกมาในลองนึกออกนะจะออกมาในในด้านดีเนี่ยสามทางด้านไม่ดีก็สามทาง ด้านดีก็คือตรึกนึกที่จะคลายความกำหนัดออกไปคลายความกัดเคืองออกไปคลายความรูปลงงม ม, มออกไปด้านไม่ดีก็คือเพิ่มไปเพิ่มกิเลสเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความขัดเคืองเพิ่มความลงขึ้นที่ท่านเรียกสำนวนบาลีว่าสมารสังกัปปะหรือว่าผู้สนละวิตก เหมือนกันเนี่ยนะฮะใช้ใช้คาต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เรานํามาสึกึกกันเหมือนกันหมายความว่ากุศลหรือความดีที่นํามาเหนี่ยวเนื้คือพูดพูดแง่ผมมองในแง่ดีแง่ร้ายนะฮะมองแง่ดีแง่ร้ายถ้ามองในแง่ร้ายเนี่ยกิเลสมันจะเพิ่มมองในแง่ดีเนี่ยธรรมะจะเพิ่ม ล้วก็อยู่ที่การมองของเราทีนี้การมองก็อยู่ที่พื้นฐานใน่เราเก็บสะสมไว้ภในใจเราก็อย่างที่ท่านกล่าวไว้เขาว่าเมื่อก่อนภาษา อ, อังกฤษนะฮะแล้วก็มีการแปล ม, มาใค่แปลก็ไม่รู้สองคนยนต์รังช่อ ง, น ง, อง ค, นคนหนึ่ง ม, ม, มองเห็นครนตรมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวเปล่าเล ก็อยู่ที่พื้นฐานในการมองวัตถุเดียวกันอารมณ์เดียวกันรูปเดียวกันเสียงเดียวกันกลิ่นเดียวกันรสเดียวกันเนี่ยแต่คนที่สัมผัสมีพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันอาจจะเกิดกิเลกก็ได้เกิดธรรมะก็ได้เกิดกลางกลาก็ได้เพราะงั้นเวทนาท่านยิงแยกเป็นสามเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นกลางๆาง แต่อย่าลืมมาแยกเป็นสามนั่นปริยายหนึ่งนะฮะในยะหนึง่งเพราะว่าสติสมัมเนธญาเราไม่แหลมจริงจริงเราก็ดูได้ขนาดนั้นนะฮะขนาดเก้าขนาดหกขนาดเก้าอย่างมากเวทนาร้อแปดจริงแยกไม่ทันนะสติสมัมเนธญาเราไออม่อยู่แยกก็ไม่ทนันอย่างพูดสํนะานวนอภิธรรมบางทีมันก็ท่องๆจำๆไปอย่างนั้นเดนะ้งตัวเองก็แยกไม่ทั น, นครับมันจะแยกง่ายนะ หรือจะติดสัญญเองตรงแหลมคมจริงๆ จ, งจึงจะสามารถระลึกทันเพราะเป็นเรื่องของขนาดจิตที่มันเร็วมากนะเพราะนั้นเวลาพูดเขาก็พูดพูดพูดเอาที่มันง่ายง่ายอ่ะเข้าใจง่ายๆว่าความความสุขความทุกข์หรือว่าความไม่สุขไม่ทุกข์มันก็รู้สึกกลางกลางแต่ความสุขมันก่อเกิดความยินดีเพิ่มขึ้นมาความกิกเลสสายราคะสายโลภะก็เพิ่มขึ้น ต่ความทุกข์กิเลสสายโทสะมันก็เพิ่มขึ้นมันก็กลายให้ให้เราสังเกตว่าเวลาเราไม่ชอบเนี่ยมันมันมันเกิดทั้งทุกข์ทั้งโศกันนะฮะเกิดความขัดแคลนที่ว่าเวลาพระเจ้าทรงแสดงทุกข์ว่าการต้องไปเกี่ยวข้องกับคนสาสตร์ที่เราไม่ชอบมันมันมันจะเกิดทั้งปฏิฆาคือเราไม่ชอบแล้วจะเกิดทั้งโทสะเกิดจังโภมนัตคือความไม่สบายใจ มันต้อนๆกัอยู่แต่ถ้าเรามองดูให้ดีทีหนึ่งว่ากิเลสสายโลภะราคามันก็เหมือนกันนะนะฮะเกิดความกำนัดเพลิดเพลินยินดีแต่จริงๆลึกๆเนี่ยมีความหวาดวิตกต่างบนหวงใหญ่กลัวว่าสิ่งที่เรากำนัดเพลิดเพลินยินดีจะเป็นอันตรายไมาลองสังเกตว่าสิ่งอะไรที่เราทะนุถนอมมากจะหยิบจะดูสักครั้งมองซ้ายมองขวากลนะัวคนอนื่นจะเห็น นั่นก็แสดงว่ามันไม่มันมีความทุกข์แฝงอยู่ในความเพลิดเพลินนั่นเองใน ต, ตัวความว่าดัดยินดีนั้นเป็นกิเลสใน ต, ตัวความทุกข์นั้นเป็นทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสเพราะจากกัดจากการใจจากใจที่ที่ที่เกอบกลุมที่ยึดที่ปรุงอยู่เนี่ยนะครัาเรียกออกมโนปวิจาร กุงไม่เรืกรุงเรื่องอะไรนะฮะปรุงเรื่องรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสก็ปรุงแค่นี้นะฮะเวลาท่านเรียกเวท น, นาให้เราตั้งเกตนะฮะว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปันจจัยเป็นต้นนะฮะหมายความว่าถ้าตาไม่เห็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ไม่เกิดขึ้นในกรณีนั้นนัะฮะ นี่ถ้ามามองปอไปแต่ด้วยการเห็นอีก ม, มันก็มีองค์ประกอบมันมีปัจจัยประกอบไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราผ่านไปแล้วเราจะรู้มันอะไรเป็นอะไรจะเกิดความยินดียินร้ายก็ไม่ได้มันจะต้องเราจะต้องมีประสาทตาจะต้องมีแสงสว่างจะต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่เห็นได้แล้วต้องมีความใส่ใจหรือสนใจจะมีองค์ประกอบอีกทั้งสี่อย่าง ก็ส่งสอนในแนวทให้มองในแง่ของความป็นเดชเป็นปัจจัยก็มองไปโดยลำดับหลังจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องหลักของอริยสัจแต่ที่บอกไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอริยสัจกลุ่มที่กล่าวมาแล้วมันเป็นเรื่องของทุกขสัจกับสมุทัยสัจ เปน็นกลางก็มีนะฮะเป็นเป็นเรื่องกีเด็กก็มีแต่ที่นี้การการแสดงเรียสัตว์บางทีเนี่ยทรงแสดงอย่างที่เราสวดนะฮะยาติปิโรค่าชาลาปิโรค่ามานามปิโรค่า น, น, นี่แสดงมากที่สุดแสดงแบบเนี้ยมากที่สุดง่ายดีก็ดูง่ายง่ายดูเป็นกลุม่มเืองกลุ่มเป็นกลุมกล่มไปดูความเกิดดูความแก่ดูความตายนะฮะ เราพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายที่ทจริงไม่ใช่หรอกฮะเกิดแก่ตายผู้สัตว์เฉพาะสามอย่างนะความเจ็บมันเป็นทุกจอนไม่ใช่ทุกจรไิจรไม่ใช่ทุกประจําไม่ใช่โดยสภาพแต่ว่าแก่เจ็บตายนั้นเป็นสภาพไม่ใช่เกิดแก่ตายนยฮะเป็นสภาพที่เราพูดบางทีเราอาจจะอาจจะติดนะฮะอาจจะติดมาจาก แต่พิจารณาพินาศปัจเวกขณะเพราะในในการพิจารณาเราพิจารณาเรื่องความแก่ด้วยเพราะตรงนั้นไม่มีความเกิดได้รอนสังเกตนะเราเราพูดได้เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาการพระาบเป็นธรรมดาไม่มีความเกิดเราเกิดแล้วนะเราเกิดมาแล้วเราพิจารณาหลังจะเราเกิดแล้วไม่ใช่เรื่องของสภาวะทุกข์แต่สภาวะทุกข์นั้นท่านจะเน้นที่เกิดกับแก่กับตายสามอย่าง แปล ว, ว่าทรงทรงแสดงเฉพาะทุกตรงนี้ทรงทรงแสดงอย่างที่เราสวดทั้งหมดนะนะมาก็เรียกว่าเป็นทุกโดยสภาพสามอย่างคือแก่เจ็บตายเกิดแก่ตายและเป็นทุกที่จรเข้ามาแห่งความโศก ค, ความราไรลําพันความทุกความเสียใจความครอบแค้นใจต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการนับประกา ร, รจากไป การต้อง ion, อยู่ต้องต <Yes. S 2> ้องอยู่ร่วมกับคนสัตว์ที่เราไม่ชอบหรือว่าคนสัตว์ที่เราชอบต้องพลาดๆาก่าไปเป็นต้นหรือต้อไปทามากราโดยสรุปแล้วมันอยู่ที่จิตเรายึดเอาเฉยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราหมายความจะเรื่ความเจ็บหรือการพลาดๆเนี่ยการพลาดๆเนี่ยว่าว่าเป็นความทุกข์เนี่ย แต่ถามว่าทุกจริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงอะ่ะบางทีไม่จริงเพราะถ้าเวลาคนที่เป็นศัตรูเราประสบความพลาดพลาดเราดีใจอ่นะมันก็ไม่จะเกิดความทุกข์มันรุปมันเกิดความสุขเลยทําไปเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องมีความเป็นเราหรือเป็นของเราเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงสุขว่าเราโดยสรุปแล้วจิตที่ไปยึดมัน่นถือมั่นในขันห้า หมายความวมาถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันหรือแม้ในสิ่งที่เคยยึดถือแต่ว่าถึงเราจะต้องวางเราก็วางถึงเราถือเราก็ถือทุกคนก็น้อยเมืันก็เหมือนกับเราถือของแบกของในช่วงใดควรถือควรแบกก็ถือก็แบกตอนวางเราก็วางไม่ใช่แบกไว้เรื่อยหรือว่าไม่ยอมถือเลยนะฮะก็คงจะเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าถือในยามนี้ควรถือแบบในยามที่ควรแบบแล้วก็ปล่อยในยามในยามที่ควรปล่อยเแนวคติธรรมดานะฮะเราจะเห็นว่ามันถึงยามที่ต้องยอมรับมันเพราะแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพระเาก็ธรรมดาก็จบที่เราเดือดร้อนคือเราแข็งขืนมันไม่ยอมรับ แกก็เดือดร้อนเพราแก่เจ็บก็เดือดร้อนเพราะเจ็บตายก็เดือดร้อนเพระตายราอรากก็เดือดร้อนเพระาะากแสดงว่าเราไปยึดมัน่นถึงอว่าในแนวเดียวแนวเป็นไปตามใจเราไม่ใช่ยอมไม่ยอมให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่จริงแล้วมันเป็นไปตามธรรมชาติมันมันเป็นเรื่องการทาความดีความชั่วทําความดีความช่วนั้นเราบังคับได้นะฮะแต่แก่เจ็บตายเนี่ยเราบังคับไม่ได้ ได้เกิดแก่ตายเราบังคับไม่ได้แต่ไจที่ยังที่ยังมีงเหุได้เกิดความเกิดดูเมื่อวานนี่ไตบรรยายที่ธรรมสถานในจุฬามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านถามท่านอางอยา่าคุณอุบัติว่าเมื่อเรารู้ความเกิดมันมาจากเหตุแต่ถ้าเราหยุดสร้างเหตุนะฮะ ความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ที่เกีย่ยวกับความเกิดมันก็ไม่มี แ, แต่คนหยุดคนเราไม่มีอไม่มีการเกิดเลยตลอดไปเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าสมันสมมติได้นะจะทําไม่ได้มันเป็นกามาวัจลภูมิเป็นรูปอวัจรภูมิเป็นอารมณ์วจรภูมเัเป็นไปไม่ได้เรา โดยเฉพาะกามาวาจาภูมิก็รูปว า, าจาภูมิชั้นกามาพจน์มันเป็นไปไม่ได้ท่านพรมเนี่ยเราเห็นว่าไม่มีลูกนะฮะพรมเนี่ยไม่มีลูกอกรูปว่พรมอรูปพรมไม่มีลูกหมายความว่าเดียนะเด่ยวๆอ่ะนะเดี๋ยวมีเฉพาะบริวารมีเฉพาะลูกนะ้องแต่ก็ไม่มีลูกคนที่มีบุตรธิดามีเฉพาะผูกมนุษย์ คือสิบเอ็นะนะสิบเอดเป็นสวรรค์6กเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นอาบายสี่แต่นั่นเองที่มีอู่ตอนนั้นนนั้นไม่ได้มีพวาใจมันมันอยู่เหนืออยู่เหนือกามาวจรคือไม่เกี่ยวข้องบุกพันธ์ในเรื่องวัตถุกรรมแต่กิเลยลึกๆท่านยังอยู่นะทา่าน้็ยังต้องเกิดอย่างวนๆในสังสารวัฏเพราะงั้นเวลาเวลาพูดเวลาพูดถึงทุกเนี่ย คือบางทีท่านพูดระดับหมุนวนไม่ใช่พูดระดับระดับระดับเกิดระดับว่าเป็นเอเรสคนอื่นเกิดแต่พูดระดับที่เรียกว่าเราเองยังหมุนวนเรียกว่าสังสารทุกข์คื อ, อยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏทําให้คําพูดนั้นครอบคลุมถึงพวกพวกที่ได้ฌานพวกที่เป็นรูปพรมมอรูปพรหมไปลืมว่ามันก็มีแค่นั้นนะ่ะนะ มีแค่อรูปพรหมเป็นอย่างสูงถ้ารูปพรหมที่สูงที่สุดก็มีแค่พระนัครมีมันไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วไม่มีที่สูงกันนั้นอีกแล้วท่านเหลานั้นท่เดียเด่ยวเดี่ยวจนเราตายไปสมมติเราเป็นเราเป็นพรริยาเราก็ตายไปเราก็อยู่คนคนเดียวสาบไต่ที่กิเลสเรา อ, อย่างไม่หมดเราก็ต้องเกิดแต่หมายความว่าไม่ได้เพิ่มคนอื่นขึ้น เพราะว่าจิตมันอยู่มันอยู่เลยกัมมอจระภูมิไปถ้าต้องการยุติมันไม่ใช่ว่าไปทำลายในโลกมนุษย์มันมันต้องทำลายกิเลสประเภทที่ให้เกิดแต่ก็ยกจิตขึ้นสู่ภูมิของอรู ป, ปรภูมิเป็นต้นไปนะฮะมันมันก็ไม่มีไม่ไม่มีการเพิ่มบรยากรในแนวนั้นเพราะทุกข์เหล่านี้ โดยจะเห็นว่ามันจริง ๆ, ๆมันก็เกิดเกิดมาจากองค์ประกอบผมค์ประกอบแสดงให้เห็นท่านท่านท่านแสดงในพระธรรมจารย์ท่นานอธิบายนะฮะอธิบายว่าพระองประกอบสามอย่างในขาดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่องค์ประกอบสามอย่างท่านเจ้าแสดงเองนะฮะหมายความว่ากัมมังเกตังอวิญนาณมิจฉาตนะอาศันยนหาง กำมังเขตตังกรรมนั้นเหมือนกับอุณหภูมิหรือว่าพื้นดินที่จะปลูกพืชได้มันอยู่อยู่ในฐานะที่ให้พืชงอกได้แต่ถ้าไม่มีพืชมันก็ดินปเปล่าๆเลยนะวิญญาณังมีชังมีวิญญาณนมืญญมันก็หน่อของพืชตาหาสินเนหังตานาเหมือนอย่างเหนียวภายในพืชอันนี้ถึงถ่งๆองค์ประกอบเฉพาะตัวที่ ท, ที่ที่เราเรียนในปฏิจจสมบาตินานแล้วนะ อวิชาสังขารวิญญาณนะฮะสามตัวเนี่ยอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดวิญ ญ, ญ, ญาณเลานัจจัเกิดตามรูปสามตัวเนี่ยมันก็รวมกันแล้วก็ปัจจัยภายนอกคือมารดามีรดูแล้วก็มารดาบิดาร่วมกันนั่นก็คือปัจจัยภายนอกก็รวมแล้วว่าปัจจัยสามอย่างนี่สามอย่างนี้ขาดอย่างเดียวไม่ได้ แต่เดียวก็ไม่มีไม่มีการเกิดไม่มีชีวิตขึ้นมาเที่ยวก็ไม่มีชาตินะทีนี้ในความเป็นชาติเนะี่ยในความในความเกิดนะเนี่ยท่านท่าไม่ได้โยนเฉพาะอดีตกรรมมันจะพูดถึงอดีตกรรมอย่างเดียวแต่มันจะมีกรรมหลายๆอย่างนะฮะที่ที่เราเคยเรียนเรื่องกรรมสิบสองมา แจะเห็นว่าในวิถีชีวิตเราเมื่อเกิดมาเนี่ยเกิดมาเขาเรียกว่ากรรมได้เป็นเหตุได้เกิดหรือกรรมอะไรก็ไม่รู้ก็ดีอดีดีมากดีดีน้อยเพราะว่าเราเกิดมาก็แตกต่างกันแต่ว่าเกิดมนุษย์เนี่ยเรียกว่ากรรมดีพอสมควรแม้งก็เกิดไม่ได้แล้วพอเกิดมาแล้วมันก็มีกรรมที่ ท, ที่ที่ตามขึ้นมาอีกสามกรรมมีกรรมที่เรียกว่าอุปธรรมข้าสนับสนุน พวกนี้เป็นพวกขุนพลอยพยกักถ้าเกิดมาไม่ดีมันก็สนับสนุนให้ไม่ดีมากยิ่งขึ้นเกิดมาดีก็สนับสนุนให้ดีมากยิ่งขึ้นก็แสดงว่ากรรมพวกเดียวกันกับกรรมที่นํามาเกิดมนขณะเดียวกันมีกรรมเบียนกรรมเบียนหมายความเช่นว่าเกิดมาดีเนี่ยมันก็เบียนให้ดีน้อยลงเกิดมาไม่ดีมันก็เบียนให้ไม่ดีน้อยลง เกิกเดสีแดงเป็นนักเรลงตูนิดหน่อยไปเบียดเบียนกรรมที่เกิดมาโดยผลเด็กรำลหนึ่งเป็นนักเรลงใหญ่เลยเขาเรียกว่าอุปฆาตกรรมดีไม่ดีก็แล้วแต่นะฮะ เ, เช่นสมมติว่ากรรมนําเกิดมาไม่ดีพวกนี้เป็นเป็นบุญที่ดีเนี่ยมันตามมาทันใหม่มันให้ผลตัวเองเลยแต่ต้องมีกําลังมาก ตัมีกำลังมากจึงจึงจะสามารถไปแทรกไขผลเนี่ยได้คืพริกหน้ามือไปหลังมือนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะะคนคนประเภทนี้มีน้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่างที่เราเคยพบประวัติของพระบางองค์เช่นพระภากุลละอ่ากุละนี่น่ากลัวนะฮะคือคือดูแล้วว่าน่าทึ่งมากอนะ่ะแต่ว่าก็มีองค์เดียวดันเกิดในะกุลเศรษฐี โอ้ทำวิธีอาบน้ำในแม่น้าคงคากาลังทำวิธีอยู่นะปลาใหญ่มาถึงก็คุกเข้ากลืนก็ในท้องเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นบารมีปกแผ่คือพวกพวกพว ก, พวกจะเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ตายก่อนบรรลุอรหันต์ใครจะทำอะไรก็ตามไม่ตายมันนุ่ยอยู่หลายท่านแล้วต่อมาในปลาตัวนะั้นไปติดไปติดไ ป, ไปติดเอ่อ จาวประมงไปติดอวนกับาวประมงชาวมงก็จับแล้วก็ผ่าท้องขึ้นมาก็เด็กได้ก็กลายเป็นชาวมงนั้นเป็นเศรษฐีตกลงว่าเป็นลูกของเศรษฐีสองคนอันนี้ที่ที่จริงไอ้พิกลได้ขนาดนี้นะฮะมันก็ตายแล้วนะเกิดตายแล้วมันพิกลมาได้จริงก็มีน้อยแต่ว่ากุศ ล, ลกรรมที่ท่านสร้างมาเนยมันแรงมาก คือใครทําอันตรายไม่ได้พวกนี้ก็เรียกปัจจุมะพาวิเกศกันคนเกิดมาเพื่อการนี้ใครทําอะไรไม่ได้จะต้องทําสิ่งนั้นได้เสียก่อนพวกมีบา ร, รมีแรงแรงนะเหมือนพระนเรศวรพระเจ้ตากสินนี่นะแต่เราดูประวัติท่านนะี่น่าจะตายหลายครั้งมันไม่ตายหรอกต้องกู้ชาติเสรษษ็จเก่อนนั้นพวกบา ร, รมีแรงแรง เราจเห็นว่าถ้าเรามองกระบวนการเราก็กรรมเราก็เห็นว่า น, นี้คืออุปคาตกรรมเข้ามาเลยนักเยงใหญ่เลยมารับไปเลยเอาปกป้องไว้เสียเลยดูแล้วมันก็นตัวตนเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงมันเป็นกระบวนการคกรรมนั่นแสดงว่ามันก็มีทั้งกรรมปัจจุบันกรรมอดีตแต่กรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆนะกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเป็นการตัดสินใจ ถี่เราจะเห็นเช่นว่าคนทำชั่วกลับได้ดีคนทําดีก็ได้ชั่วเนี่ยมันมันเป็นกรรมขนาดนั้นนั้นที่ว่าคนทําดีมาเยอะรู้อํานาจชักปืนเปี้ยงยิงคนตายปุ๊บกลายเป็นฆาตตะกันนั่นเองทำดีมาเยอะแล้วมาก ร, รมปัจจุบันบุบเดียวยังไงก ร, รมปัจจุบันบุบเดียวเด็กก็ติดคุกเลยนะฮะคนดีก็ติดคุกแต่ไม่ได้ติดคุกเพราะทำดีมันติดคุกเพราะยิงคนตายนั้นเราจะเห็นว่า ก็ไม่ก็อยู่ทุกขณะของความคิดเราแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตถักเทชีวิตเราออกไปด้านดีด้านไม่ดีก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แล้วแต่ในขณะนั้นนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนจีนํานวนห น, นึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยวางดาบนะฮะวางดาบแล้วก็เป็นพระราหันได้มันคงจะเรียนแบบคงจะพูดมาจากบทบาทของพระองค์ุลิมา หมายความพระองค์มีมันท่านกลับใจทันทีกลับแรงมากกลับพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยเห็นไหมที่จริงมันเป็นปัจจุบันกรรมแต่ถามปัจจุบันกรรมอย่างเดียวไหมมันอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันมีอดีตกรรมไม่มีบารมีธรรมได้เข้ามาสนับสนุนทําให้คิดได้นะเพราะพระวิชารัสสั่งอย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัฟังดูยนยวนก็ได้ <laughs> ว่าเดินได้ระวังเดินทำไมบอกว่าหยุดอ่ะ เราหยุดแล้วแต่เธอดั น, น, นดีอย่างไม่หยุดองบริมาณท่านเดินพระเจ้าเองคองค์องค์เยืมาท่านหยุดนะพระเจ้าท่านเดินเดี๋ยวพระเจ้ากับกับบอกเราองค์หยุดแล้วองค์เยืมาเดินองค์บริมาณไม่หยุดคือเราฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยมันใกลกๆอีกกลัวๆหนึ่งเลยทุกคนแต่ว่าคนมีบรารมีเนี่ยมันมันสนใจคิดอีกพูดได้ขมฮหมพูดได้แปลกฮหต้องถามพระพุทธเจ้าปฏิบัติเออจริง เห็นไหมนั่นแสดงว่าวบารมีแนวดีเข้ามาสนับสนุนแม้แกโกฏอุปติจาแต่ว่าบารมีแนวดีต้องลงว่ามันก็มีทั้งสามแบบนะมีทั้งกรรมแมดีกรรมที่ก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็กรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหมายความว่า มาสนับสนุนการโดยปัจเจกก็กลายเป็นท่านทิ้งดาบแล้วก็บรรุพระผลเป็นประธานได้นะฮะกับโจรที่มือโชคเลือดอยู่นี่เป็นประธานได้จะไ ม, ไม่ไม่จะเรื่องง่ายๆอะ่ะแต่ก็เป็นได้แต่อย่าลืมว่าเป็นได้น้อยนะฮะเป็นเราเราจึงพบคนประเภทนี้มีไม่กี่คนอะ่ะตลอดระยะเวลาสี่สิบ้าบบ 4, ปีขนาดมือระดับพระพุทธเจ้าเองอยั ง, ยงทําทําได้ไม่กี่คนะ่ะ มันเขาเองจะต้องมีองค์ประกอบในตัวเขาครูเจ้าเพียงแต่เสริมด้านั้นเองไม่ใช่เสกนะฮะมเสกไม่ได้ครูเจ้าเพียงแต่เสริมให้จากนั้นก็ท่งแสดงเรื่องเรื่องสมุทัยศาสตรสมุทัยศัสตร์เรเห็นว่าก็เหมือนกันนะมันก็เกิดไปลาพเหตุไปแต่ตรงตรงนี้ไม่ได้แสดงแนวที่เราที่เราสวดใ น, ใ น, ใ, นในธรรมจักอะไรนะ เป็นการแสดงแนวของของปัจจยาการสายเกิดว่าวิชาเป็นปัจจัยยังเกิดสังขารนักขัปัจจัชชยเกิดวิญญาณว่ามาเรื่อยสรุปสรุปง่ายๆกว่านะไมเดี๋ยวฟังยากสรุปว่าในปฏิจจสมบัติมันมีกิเลสมันมีกรรมแล้วก็มันมีผลของกรรมตราบใดสามอย่างนี้ยังมีอยู่ตราบนั้นมันไม่หยุดหมุนอะ ดูง่ายๆก็ได้เอาน้ําพริกป in ลาทูใ <c oughs> นภาคกลางไงนะน้ำพริกปลาทูเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรเราก็ไม่รู้อะที่จริงมันมันมันน้าพริกปลาทูเนี่ยมันมันเป็นวิบากคือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําถ้าถามมาทําทำไมจึงทํามันเกิดความอยากใช่ไหมความอยากมันก็เป็นเป็นกินเลสคืออยากกินนะฮะอยากกินแล้วก็ทําขึ้นการกระทํานั่นก็คือกรรมทําก็กลายเป็นน้ําพริกถ้วยหนึ่ง แต่แล้วเรากินดรากินแล้วเราชอบชอบมันเกิดกิเลสอีกเกิดกิเลสอีกก็ปรุงอีกก็ถ่ายพอดถามมาเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิแต่ว่ามันก็หมุนไปอย่างเงี้ยเราคงคงตากันไปหมดแล้วไอ้น้าพริกปลาทูก็ยังอยู่นะมาอา จ, จะปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสไปเรแต่ว่ากิเลสกรรมวิบากมันจะหมุนเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆพวกขนมนมเนยอะไรแต่ลองลองดูกันเสื้อผ้าอะไรฟันเหมือนกันหมดเลยกิเลสกรรมวิบากเราจะเห็นว่าการบุญก็กิเลสกรรมวิบาก เห็นคนตัดเสื้อมาแสดงแฟชั่นอุดสวยนะเสื้อเนี้ยเห็นไหมกิเลสมันเกิดอ่ะแต่ที่จริงเสื้อนั้นมันเป็นมิบามันเป็นผลของการกระทำแต่ทามาทํำไมทําไอ้คนนั้นมันอยากขายมันอยากได้เงินนะฮะอยากได้เงินก็แสดงวันเกิดมัาจับตันหาก็เป็นเหตุให้ให้ให้ตัดเสื้อขึ้นมาทีนี้ทํายังไงจะขายได้บ้างมันก็มันก็เปิดแสดงแฟชั่นคนก็ไปดูไปดูก็เกิดอยากเห็นไหมก็เพราะเชื้อกิเลสมาอยาบังก็ไปจ้างเขาตัด เราเอามาปรุงมาปรุงก็สวยสวยก็ตัดอีกตัวหนึ่งคนนั้นเองก็เพิ่มไม่ได้เด็ดๆคนนั้นเองก็ได้เพิ่มไม่ได้เด็ดๆถ้าแกยังชอบอยู่นะฮะแล้วก็คนอื่นที่เห็นไอ้เสื้อตัวนี้สวยนี่ก็ตัดอีกก็เรียนแบบเขาแล้วก็หมุนก็อยู่เงี้ยฮะมุนก็อย่อย่างงี้ขนมก็ได้คุณลองคิดจากขนมก็ได้คิดจะเสื้อก็ได้คิดจากกางเกงรองเท้าอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้มันจะหมุนเรื่องกิจกรรมไป่้ากิจกรรมแล้หมุนไม่หยุดนะเพราะันพวกนี้เลยขายได้ทุกวัน ก็ได้ทุกวันแต่ให้ลองสังเกตจริงๆถ้าคนไม่อยากแล้วเนี่ยมันไม่เดินอ่ะปรุงอาหารให้สวยยังไงก็ตามอร่อยรูปเสียงสีกลิ่นรสอร่อยยังไงก็ตามคนไม่อยากกิเลสไม่เกิดไม่มีใครเชื้อไม่มีใครซื้อเพราะกิเลสไม่มีใครเกิดพวกนี้ก็ต้องหยุดทํามันไม่มีมันมันมันมันมันมันไม่มีวิบากมันไม่กระตุ้นกิเลสแล้วทาอะไรขาทุนเกิดบตายเลย เห็นไหมกิเลสมันไม่เกิดแล้วจะปรุงอาหารขนมขายตรงนี้เฉพาะกรณีนี้นะฮะกิเลสมันไม่เกิดแล้วแกก็ต้องหยุดปรงุงมันคือลักษณะกิเลสกรรมไม่ปัดทีนี้เราจะเห็นว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ทุกอย่างทุกในการสแสวงหาแต่และอย่างเนี่ยมันก็แพงด้วยนะฮะของปัจจุบันมันกรเด็กไปซื้ออาหารเราถามราคาดูไอ้ขนลุกเลยแพงจังเลยของ ของรู้สึกว่าคนราคาแพงไง น, นะฮะคนกินอาหาแต่ละวันเนี่ยวันก่อนเด็กมาเล่าไม่ไกินอาากันสามสี่คนหมดไปแปดพันเราฟังแล้วปวตายกินกันไปทําอะไรได้เป็นกินอยู่ได้นะฮะได้รับโบนัสอะไรแต่นหนตั้งบวงไปนั่งกินกันสองสมหมดก็แปดพันบางคแล้วได้ข่าววันก่อนรัฐมนตรีไปเลี้ยงเล่า ก, กันนะฮะหมดไปแสนนึงเพะเงินไปแสนเขาไม่พอ อะไรกันไม่นี่เราจะเห็นว่ากิเลสกรรมวิปัติกิเลสเนี่ยมันเกิดมาณฉันเป็นรัฐมนตรีมันกินล่าธรรมดาไม่ได้แล้วกินเล่าธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะการกินมันก็ต้องสถานชี้มันกินตั้งแต่แอร์คอนดิชันมันกินตั้งแต่สถานชี่มันกินตั้งแต่รถมันกินหมดเลยกระทำให้กิเลสมันเพิ่มปรุงหมดเลย ตานตั้งเรี๋วไปกินอาหารแต่เรากินอะไรตั้งหลายอย่างนะฮะกินรูปกินเสียงกินกลิ่นกินรถกินกินอะไรล่ะก็ไม่ใช่รถเล่าอย่างเดียวก็หลายหลรถด้วยพอเสร็จแล้วมันติดใจนะฮะกิเลกก็เกิดต่ออีกอก็หมุนก็อยู่อย่างงี้เพราะงั้นถ้ากิเลสมันเกิดตอนเนื้อบรรยากายไปนักเลงไงไหมนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการประนันนะเท้ารุ่งเช้าก็ต้องไปแลตะคําต้องไปแล้วมันเป็นนักเลงมาแล้วมันมันมันติดละกิเลสกลาไม่วาห์มันก็หมุนไปเรื่อย นัน่นคือแนวทุกปัญหาทุก์ในการแสวงหาในการครอบครองในการต้องต่อสู้ยือ้อแย่งกันในการที่สิ่งเหล่านั้นต้องรัดรากอยากไปปัญหาส า, s. <S สารพัดเกิดขึ้นมาจากเนี้ยจากความอยากจากความอยากจากกิเลสแล้วก็หมุนวนก็เป็นช่วงยาก็กลายเป็นสังสารวัดพอช่วงยาออกก็กลายเป็นสังสารพัดที่จริงมันก็เกิดขึ้นเป็นขณะดขนาไปนะฮะขณะดขนาไปเรื่อยแล้วก็ขยายวงออกไปก็กลายเป็นสังสารพัด ก็ทรงแสดงว่าเนี่ยมันมันพอเกิดแล้วมันจะมีอาการขึ้นมาสามอย่างก่อให้เกิดความมีความเป็นเรอยากได้นั่นอยากไดนี้อยากด้ดนั่นกินนั้นกินนี้กินนั่นลองดูฮะอย่างอย่างน้อก็ลองดูอาหารเต็มโตอะอาหารบางอย่างเราไม่เคยกินลองดูลองดูเกิดชอบชอบมันเกิดตหาหนาอ่ะเจอไหมฮะเกิดชอบตหาหนาเพราะว่ารสที่เราสัมผัสมันเป็นวิบากมันเป็นผลเออมันก็อร่อยดีแล้วดีก็ตักต่อ หกตอกินเสร็จแล้วต่อมาวันหลังนึกอยากอีกอาานั่นก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องหาทางกินดิบบางบางทีต้องขับรถไปกินไกลๆถึงบางแสนก็มีก็แล้วแต่นี่ก็คือ ก, ก็คือลักษณะของของกิเลสที่มันก่อเกิดเรื่อยความมีความเป็นความมีความเป็นเรื่อยไปถ่ายอยเร่อยไปจนกลายไม่เรียกว่าเล่นนะนะแต่เห็นว่าเล่นพระเครื่องเล่นรถเล่นอะไรอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้วตลงว่าไม่รู้ซื้อรถทำอะไรซื้อรถไปเรียกันเล่นรถ เล่นสีเล่นรูปเล่นราคาเล่นรุ่นเล่นอูมันสารพัดเล่นเนี่ย แ, แต่จะเล่นน่ะพระเครื่องก็เล่นนะฮะนั้นกท็ที่จริงเป็นกระบวนการของของของขอ ง, ของกิเลสก ร, รมวิบากมีกิเลสแล้วก็ทําการมทํากาม ร, รับผลติดใจผลหรือไม่ติดใจผลวิบากมันก็เกิดทั้งสองอย่างชอบผลหรือไม่ชอบผลวิบากก็เกิดเช่นไม่ Tail. ชอบผลต่อไปเราก็ปฏิเสธอีกเห็นไหมเกิดโทสะอีก ตัวนี้ยเราเราสมมติว่าเราเกิดความไม่สบายเพราะไปกินสิ่งนี้ไปทำสิ่งนี้ไปเกี่ยวข้องสิ่งนี้ต่อมาใครให้เราทาให้เรากินเราจะไม่ชอบเห็นไหมกิเลเสประเภทโศกก็เกิดบางก็กลายเป็นทกากรรมอีกอะเอาเขาเขาแซวาซีบางคับไปเรากินเราเกิดโกรธเห็นไหมก็ด่าเขาก็กลายเป็นกรรมอีกอะดีไม่ดีก็ได้นะม า, มาทำกิเลสกรรมไมบา ถ้ากิเลสมันน้อยนะฮะกามมันก็จะเาะผากุศลมันจะมากวิบากมันก็จะดะีมีผลก็เป็นความสุขมากขึ้นหน่อยก็แล้วแต่นั้นก็คือหมุนกันมาอย่างนี้คือสายเกิดแล้วจิตใจจะ ก, กำนังเพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วจะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นแต่แล้วจะเบือ่อเบื่อมันก็คว้าตังอืไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอะไรก็เรียกวเบื่อเบือเบ่ อ, อยากอยาก หมายความวาพอครอบครองมาถือครองมาเข้าเสร็จเสร็จแล้วถึงถึงจนหนึ่งเบือ่อเบือ่บอใจน้อม ก, กิเลสจริงมันซ้อนในขณะที่เบื่ออย่างหนึ่งที่จริงมันอยา่อีกอย่างหนึ่งก็แสดงว่ากิเลสมันเกิดขึ้นสองตัวมันเป็นโทสะในตัวหนึ่งแต่เป็นโลภะอีกตัวหนึ่งก็ใกล้ๆเนี่ยลองลองดูตักอาหารก็ได้นะมือบางทีซ้อนช้อนมันสายแย่ yeah, ปะแลมว แย่ไม่ไม่ตักจานนี้แต่หมายความจะไปตักจานอื่นนะฮะจะตักจานหนึ่งก็ใส่เงี้ยนั้นแสดงว่ามันมันมีโทสะตรงนี้แต่มันมีโลภะตรงนี้อาจจะสายไปตั้งหลายจานแล้วไม่ตักก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแล้วหมายความว่าตรงนี้มันเกิดโทสะที่จริงมันไม่ันมันไม่ใช่ไม่เกิดกิเลสแต่มันเกิดโทสะคือไม่ชอบเพียงแต่กิเลสมันอ่อนก็เรียกไม่ยินดี อารัตติคือไม่ยินดีเขาไม่เรียกโทสะนะไม่ได้โกรธแกงหรอกไม่ได้โกรธแกงแต่เขาเรียกว่าอารัตติคือไม่ยินดีไม่ยินดีไม่พอใจไม่ชอบไม่อยากได้แต่หมายความไม่ใช่ไม่มีกิเลสไอตรงนั้นก็คือกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสประเภทโทสะกระทึงจุดหนึ่งเราตักแล้วก็ถ้าอร่อยอร่อยเห็นว่ามันจะเกิดใหม่แล้วก็ขอให้เกิดความมีความเป็น เราก็ตักอีไปมันก็หมุนไปกิเลสตอนนี้ทีนี้บางทีพอตักแล้วกินแล้วมันเกิดโทสะก็ได้เพราะโทสะมันก็หยุดไม่เอาแล้ก็สายไปตั้งอยู่อีกกิ น, กนกมันก็แหวงก็วิ่งอย่างเงี้ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนกับเราเดินซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตเห็นกิเลสได้ชัดมากเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยลองดูที่จิตจะเห็นได้ชัดมากๆเลยกิเลสมันเกิดมันเต้นอยู่ตลอดทุกเวลาบางทีพลิกแล้วพลิกอีกพริกแล้วพลิกอีก ใจมันชักจะชอบเอาเหลือไปดูอีกอันเอ๊ะมันสวยกว่าวางไอ้นี่เอาไปโน่นอ่ะอันนี้บางทีก็เดินหมุนอย่างงี้เนี่ย น, นะฮะยังงี้สมัยเป็นเด็กๆได้ฟังเพลงของของไรเสน่ห์กุมาชุนอะไรเดินไปเดินมาแถวสะพานหันอะไรนี่ว่ า, า, าไๆๆยยงไงรู้แต่ว่าหมายความว่าเรกาก็มอ ง, งมอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตนี่มันบางบางเข้าไปกายมันสายเพื่ออยากนั้นอยากนี้อยากโน้นเราจะเห็นเป็นกิเลสกรรมวิบาก ท, ที่หมุนอยู่ในขณะนั้นนั้น เพราะงั้นตรงนี้ตาบเท่าที่เขามีเนี่ยเราก็มีทุกอยู่เลยทรงแสดงในแนวของสมุทัยแต่ไม่ใช่พูดเรื่องตนาสามนะพูดเต็มกระบวนเลยพูดพูดพู ด, พดทั้งสิบสองวิชชาปัจจายางก า, ายลายอย่างเดือวสวดพอเสร็จแล้วก็ทรงแสดงในแนวของนิโรดนิโรดก็เหมือนกันนิโรดไม่ได้พูดแนว การดับตันหาการสละรั้หาการถ่ายถอนตันหาการคลายคืนตันหาการไม่มีอะไร ค, ไไคือไม่ได้พูดแนวเริยสัตว์แต่พูดเต็มที่เลยพูดแนวปฏิยาการสายดับตรงนี้เคยพูดแต่ตอนบรรลงปุติยานะยาวตรงนี้ยาวมากพูดจ้าสอนนักศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะะเดือนหนึ่งเดย เรื่องปฏิจจ ա ตวุฒิบาณิศาสตร์ปีสองในมาสอนเนี่ยเพิ่งเพิ่งจบสอนเดือนหนึ่งป่าจะจบอธิบายเรื่องปัฏิการต้องเขียนเขียนเป็นชาติตอะไรทัวไหนโอ้ยปกติสอนหนังสือไม่จับชอกฮะอาจะช็อกไม่เคยจับชอกจับชอกเรื่องเดียวเรื่องปฏิจจ ա ตวุฒิบาตั้งมันจับช็อกต้องเขียนต้องทําสายโยงทําเป็นชาอะไรแต่นักศึกษา ก, ก็ดูอธิบายยากมาก ก็พูดง่ายๆอีกหนนะฮะหมายความว่าตรงนี้เมื่อกิเลสเขาดับหมายความวิชาดับสังขารดับสังขาดับปัญญาดับสรุปง่ายๆว่ากิเลสดับกิเลสดับกรรมดับกรรมดับผลก็ดับคําว่าวิบากวิบากคำวมาวิบากนี่คือผลเราเชืว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นวิบากมันเป็นผลเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจเรายังมีกิเลสเราต้องบุนวุ่นทังสารวัตรร้านกายมันเป็นวิบาก เรียกวิบากขันวิบากขันนี่ไปแก้ไขอะไมันไม่ได้นพราะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตัดสู้แล้วหลังจากตัดรู้ปับ๊บไอ้ขันนี่มันเป็นวิบากขันขันที่เป็นผลเหลือมาจากสมัยโน้นสมัยที่พระองค์ยังมีกิเลสอยู่เพระพเาะมันก็เป็นไปตามธรรมดาเข้ามันเนี่ยไปไปตามธรรมดาเข้ามันเพราะมันมันมันมันเป็นวิบากที่เกิดมาจากกิเลสเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าก็แก่พระพเจ้าก็เจ็บพระพเจ้าก็นิพพานพระพเจ้าก็ปวดเอวเหมือนกันน่ยนะ ปวดเอวนั่งนานๆก็ปวดเอวยืนนานๆก็ปวดเอวพุทธเจ้าเหนื่อยมากนะฮะทำงานเหนืมกเวลาพักน้อยเราจะเห็นว่าโรคปวดเอวในปวดบ่อยพระพุทธเจ้าก็คง<อ>จะซึมเนื่องมาตั้งแต่สมัยโน้นนะสมัยทรมานร่างกายหกปีนะคงคงคงจะมีผลกระทบมากบางทีนั่งประทับเทศเทศนี่ปวดสะเอวพระให้พระนรินเทศแท่ต้องเหยียดพระองค์สูงนั่งไม่ได้ มันด้ยืนยืนไปเสด็จไปไหนพระเทศพระพุทธเจ้าเวลาพระเทศเนี่ยฮะจะไม่เข้าไปเพราะว่าพระจะลุกขึ้นนะจะลุกขึ้นรับเสด็จแล้วเสด็จจริจริงผิดนะเราไม่เคยรู้กันเวลาเนี้ยบางทีนั่งฟังเทศเพออาจารย์ดังเลยมาลุกขึ้นปุ๊บปอบอ บ, บ, บไปรับอาจารย์อนาะูหมินพระธรรมนะแสดงไม่เคารพพระธรรม พุทธบริษัทไม่ทำมาเคยเคยไปเทศแห่งเราจนจนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไปอีกเลยเรากำลังเทศเทศคู่ลเทศคู่ลิเก ม, มานะ่ยโยมลุกขึ้นไปดูลิเกหมดเล ย, ยไปรับลิเกหมดเลยใจคอรือเกินจริคงคนแกคนแก่ยักแยใ่ยั ก, ย ก, ย ก, ยกย่ไปดูลิเกลิเกมันขึ้นมาจากเรือเฉยๆนะีะจริงยังไม่แสดงเลยเด้ตั้งแต่วัดนั้นสามสิปีไม่เคยไปเลย ปวดยากปวดยากก็ปล่อยเข้าไปเราเราไม่มีกําลังพอที่จะไปต้านทานได้ก็ได้เพราะาถ้าดับกิเลสเนี่ยยางอื่นมันจะดับเราหัดดับหัดดับตรงนี้ก็แล้วกันนะหัดหัดดับในขณะที่เรียกว่าสัญชาติการวสันติติการนิพพานหังนิพ า, า, าเด่นได้ในขณะนั้นๆเวลามีอะไรที่จะให้เกิดกิเลส เราสงบกิเลสเราเห็นว่ากรรมมันไม่เกิดเห็นนะฮะกรรมไม่เกิดเช่นสมมติราคนมาทําอะไรเรากรูดมันน่าจะด่าต่อเราไม่ด่าเลยการด่าไม่เกิดกรรมที่เกิดขึ้นจากการด่าไม่มีเราแทนที่จะถูกตําหนิว่าไป ด, า ด, าดา่าก็ด่าเขาเราจะได้รับการเมตตาสงสารเพราะเราไม่ทํากรรมอย่างนั้นเร า, เราที่จริงเราดับจะกิเลสได้นะะ ระดับกิเลสได้เพราะงั้นการด่าจึงไม่เกิดขึ้นมัน ไ, มนมนไม่เกิดขึ้นผลคือวิบ่าวมันก็ไปเกิดขึ้นความทุกข์อะไรแต่รายการถูกตําหนิมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทํากรรมมันก็ดับกันได้จุงนี้ก็ดีข้อแล้วนะฮะเราทํายังไงว่าให้ดับได้เมื่อคืนเนี่ยดึกละบึกห้าทุ่มแลนะมีผู้หญิงโทรมาก็ฟังข่าวโทรทัศน์ ว่ากระทรวงศึกษาธิการแถลงการสืบสวนทันยันระบบริสุทธิ์แกมาถึงก็สัดธรรมชติจ้าจ้าจ้าจ้าอบอกถามว่าโยมทาไมไม่โทรไปที่โน้นที่คนก็ทางานทาไมโทรไปที่นี้มาแกก็บอกมันไม่ยุติตามถามมาอย่างไงดังโยมที่ว่ายุติธรรมน่ะคืออย่างไงโยมจะให้ว่าอย่างไงจะให้วินิจฉัยว่าจริงตามที่แม่ชีว่าจึงถือยุติธรรมใช่ไหม พอรู้สึกว่าโยบเองก็ตั้งตัวผู้พักษาเหมือนกันคือหมายความว่าตัดสินไม่ถูกใจตัวเองแล้วผิดหมดเลยไม่ยุติธรรมหมดเลยบอกว่าโยมหาเรื่องนะหาเรื่องนอนในสงบยิน ด, ดึกเจ้านอนในสงบมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโยมเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโยมเลยสมมติว่าเขาผิดเขาก็ผิดท่าที่เขาผิดก็ถูกเขาก็ถูกเขาถูกส่วนตัวเขาเรื่องกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทำกรรมใดว่าจะเป็นผู้รผลกรรมเรื่องเฉพาะตัวนะฮะ เราหาเรื่องทำไมโหาเรื่องไปทำกรรมเขาทำไมตะลงว่าด่ากลาดไปหมดเลยด่ากรรมาการด่าพระดา่ดาคนอื่นหมดเรื่องอะไรน่าจะนอนตีห้าทุ่มแล้น่าจะนอ น, ม น, น, อนไม่ยอมนอนเนี่ยคือเราเรียกเรียกว่าไม่ยอมดับไม่ยอมดับความกิเลส น, นะฮะแล้วถามมันจะเอาอยัางไงนะฮะ ต้องสืบสวนละเอียดบอกว่าก็เขาก็สืบแล้วนะคนที่ก็สืบมัชี้สิบนะก็ปัญญาเอกนะคนทู่หัวหน้าที่เขาสืบนะไม่ใช่เด็กๆอ่ะเป็นเป็นเป็นผู้ตรวจเป็นรองอ่ะที่เป็นดีแล้วก็เป็นรองเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยประหลัดเป็นนักเรียนนอกมาเป็นความรู้ก็ดีแล้วปัญหาทจงกันก็เป็นนักปัญญาเอกอ่ะ เรสืบสวนหลักฐานก็ได้ท่านั้นก็ว่าถ้านั้นทำไมไม่ปล่อยเขาเล่ะเออไม่ยอมอ่ไม่ยอมท่านต้องสอบใหม่เพราะว่าอามาไม่มีอำนาจหรอก ม, มีอำนาด้วยซ้ำแล้วปล่อยทํายังไงวะแกวางโดนสาปได้นั่นต้องว่ากันนานวะต้องกลัวเนี่ยนะแกดังรัทธิหมดเลยไอ้นี้ก็คือเราจะเห็นว่าไม่หาเอไม่หาทางให้ดับถ้าเราดับมันไม่มีอะไรนะฮะเรื่องตรงนี้เราจะเห็นว่ากรรมใดเคยก่อคนนั้นก็รับกรรมไป ไม่เกี่ยวอะไรก <PTSD> <griff Buddhist S 1> ับเราเลยเรามาอย่างที่เรามาเราไปอย่างที่เราไปอย่างที่เคยพูดเน่ยเรามายังไงเราก็ไปอย่างที่เราไปอย่างเราก็ไปอย่างที่เรามาหมายความว่าเรามาด้วยกรรมของเราเราอยู่ด้วยกรรมของเราเราไปด้วยกรรมของเราไม่ใช่ว่าถ้ามีพระไม่ดีเกิดขึ้นเราจะตกนรกด้วยเปล่าตั้งก็ตกคนเดียวเรื่องอะไรไมเกี่ยวอะไรกันเราแล้วท่านบรรลุมรรคผลไม่ใช่เราบรรลุด้วย ก็ท่านท่านบรรลุท่านกับรรลุเราบรรลุเราก็บรรลุบางคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแม้พ่อแม่ติดติดกันมาก็าไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าท่านมาเป็นเพียรตรัสรู้มาถึงพระราหุลท่านก็นกต้องมาเป็นเพียเราเองอะไม่เอาลูกไปด้วยไม่ได้แล้วก็ไปคนท่านต่างคนต่างไปเหมือนนางประตาจาราที่ท่านว่า น, นางประตาจาราที่เขาพูดเรื่องความทุกข์เลยนะ่ฮะที่มีคนไปถาม เต่ประสบปัญหาเรื่องลูกสามีตายที่เคยเล่าฟังว่าคืนเดียวตายทั้งแต่สามีลูกสองคนพกคนน่นะฮะกคนพี่ชายแม่พ่อตายคืนเดียวกันหกคนจนถึงท่านวิปปิ์เป็นบ้าไปแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบวชวิสุลีบรรลุพระผลเป็นพระหรันนี่ล้าคนมาสอบถามการแก้ปัญหาตรงนี้ท่านก็ถามว่าไอ้เด็กที่มาเกิดคือลูกก็ตายอะนะลูกก็ตายถามว่า เด็กที่เขามาเกิดเนี่ยเขาขออนุญาตคุณก่อนหรืเปล่าที่มาเกิดว่าจะมาเกิดเป็นลูกแม่เราเปล่าไม่ได้บอกแล้วเวลาเขาไปเขาลาเปล่าแม่าล า, ลาอ้าคุณไม่เสียใจอะไรกับคนที่มาก็ไม่บอกไปก็ไม่ลาเขามาอย่างที่เขามาก็ไปอย่างที่เขาไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย น, ะนี่คือเรียกว่าเราหาเรื่องใจมันหาเรื่มันไม่มีทุกข์หรอกแต่ว่าเราไปหาทุกข์มาใส่เรา คติไทยโบราณนี่นะฮะอะไรนะหรือฝอยหาตะเก็บอะไรหรือฝอยหาตะเก็บหาเขาใส่หัวหาเขาใส่หัวหรือฝอยหาตะเก็บแกงเท้าหาเส้นแกงเท้าหาเส้นอีกคำหนึ่งนั่นคือเรื่องมันไว้เป็นเรื่องอ่ะเส้นมันก็อยู่อย่างเส้นตะเก็บมันก็อยู่ใต้ใต้ขยะเขามันก็อยู่ส่วนเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เราก็มาใส่หัวเราแล้วเราก็เกาเองไงนะเกา เอาใส่หัวข้าเราเอาเองแลงเท้าฮาร์เซียตเราก็เจ็บเองนั้นก็คือก็คือปัญเกิดมจาเกิดมาจากกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นเป็นการดึงเข้ามาดึงปัญหามาสู่เราตรงนั้นให้เราสังเกตอะกิเลสที่ดึงปัญหามาสู่เราัรงนั้นเกิดโกรธก็ดึงปัญหามาสู่เราเกิดโลภก็ดึงปัญหามาสู่เราหลงก็ดึงปัญหามาสู่เราอยู่ดีๆนะเกิดโกรธขึ้นมาไปทะเลาะกันสามัคค บาทีคนก็ทะเลาะกันข้างนอกส่งเสียงดังเราก็นอนหลับอยู่ดีๆถ้าจะหลับแล้วลุกขึ้นไปต่เพื่อก็เรื่องยึดได้เรื่องให้นอนไม่หลับไปได้หเรื่องให้ทะลายได้นี่ก็คือก็คือจิตที่มีกิเลสเข้ากุมเพราะงั้นท่านก็สอนเนวดับว่าอวิชชาดับตั้งการดับสังการดับปัญญาดับมันก็ดับหมดแหละดับง่ายๆที่พูดยาวๆอย่างนั้นที่ยืงเหมือนเขาพูดสั้นไหมือนกันนะครับ มึงรถไฟทั้งกบวนถูดทัวร์ตอรัวรถจักออกก็จบเปล่าเลิกพูดกล้วบวนนับกี่บุกี้ก็จ้างมานะ่ยจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะฮะมันมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทรงสอนในแนวของปฏิการคือว่าสิ่งตั้งหลายไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะต้องการจะสอนเน้นเพราะว่าตอนตอนตอน้ตนๆเราจะเห็นว่ามันมันพูดเรื่องเฉพาะหมดเลยความสุขความทุกข์เกิดจากอดีตกรรมบุพกรรม เกิดจากพระอิศวนบรรดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระอิศวนเป็นต้นบรรดาด้วยว่าไม่ไม่มีแสดงว่าไปพูดยืนยันเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พระเจ้าทรงแสดงเห็นจริงๆเลไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นขัวนการมันเป็นปัจจัยการของมันมันมีเหตุสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันก็ทยอยกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราจะดับเราก็ต้องไปดับที่เหตุมัน ถ้าไปต้อการให้เกิดก็ไปดับที่เหตุมันมันก็ไม่เกิดนั่นก็คือแนวของนิโรธนิโรธตืึงแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงออท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาทรงแสดงนิโรธก็ดีนะะพูดถึงนิพพานไม่ว่าอะไรแต่พูดได้จุดเดียวกันมันก็เหมือนกันอนะ่ะมันมันเป็นเรื่องคนขณะจิตนิดเดียวเองเ อ, อถ้าพูดจริงๆเหมือนกับไม่มีขณะแต่มันมีขณะ เวลานี้เราวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเราพูดกระแสไฟกระแสอะไรแต่ไรเ น, นี่ยจะจะเห็นว่าที่ที่จริงมันเป็นขนาดเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนั่นก็คือความดับทุกแต่นี่ความดับทุกเอเองอ่ะมันมันมันมันก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยอีกละจนะมาเกิดมาจากเหตุปัจจัยอีกมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยหลอยก็ทรงแสดงที่อริยมรรค อริมัคคุยงแปดประการนะฮะอย่างที่เราก็จาก็ได้น ะ, ะแต่ว่าที่จริงก็ค่อนข้างปฏิบัติยากหนะ่แนวเรียนมัคทั้งแปดประการเป็นแนวเรียงท่านเราสังเกตนะฮะเรียงผิดกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี่ยเรียงศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าอริมัคนั้นเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิ อริมักจะเรียงแบบวงกลมสีมจะเรียงแบบบันไดนะถามว่าขัดแด้งไมมแม่ขัดแย้งอะไรเลยสีอริมักจะหมุนแบบวงกลมขึ้นไปมันก็ลอที่หมุนขึ้นไปแต่ว่าสีธรรมที่ปัญญาจะรูปบันไดขึ้นไปเร่่่่่่่่่่่่่่่น่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เป็นความแตกต่างในเชิงโวงหาในการสอนเมื่อในความเป็นอะไรนั้นไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในความเป็นศีลมันจะต้องมีสมาธิมันจะต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าไอ้ น, นี่เป็นอาทินอาทานแล้วไอ้นี่เป็นกรรมสิทมิจาจารนี่เป็นมุสาวาตมันต้องมีปัญญาว่าไอ้อธินาทานเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันมีองค์ประกอบอย่างไงบ้าง ไม่ใช่เพื่อนทําอะไรไอันนี้อธินาทานแล้วอันนี้นี่เี็นการเป็นศิอาจารย์แล้ว อ, น, อ, วอนี้ขาดสัตว์แล้วอันนี้อะไรแต่แล้วมันไม่ใช่อ่ะมันมันมันมีองค์ประกอบเราต้องมีความรู้มันพูดถึงปานาติบาตไปนี่เป็นปานาธิบาตไอ้ปานาธิบาตนี่คืออะไรที่เคยเล่าเรื่องไปจากกุบาลดท่านเดินยุงกรมมาเดินเดินยงกรมตาบอดอ่ะคนพระอารหันต์ในตาบอดเดินยงกรมไปเหยียบมดไก่พระก็หมองฟองพระพุทธเจ้า เพราะจักกุบาลเดินจงกลมสสัตว์ตายเยอะขุจ้าถามมันเธอเห็นเหรอไม่เห็นเอา้าจักกุบาลเขาก็ไม่เห็นเหมือนกัน <c oughs> คือมันมันมันต้องต้องอะไรมันต้องหนึ่งสัตว์มันมีชีวิตสองเราต้องรู้สัตว์มีชีวิตสามเราต้องตั้งจิตคิดจะฆ่าไม่งั้นโยงกวาดขยะสัตว์ต า, ตายไม่ทำไงเราเดินกลางคืนเราควรรู้ได้ไงเราขับรถอรู้ได้ไงว่าสัตว์ไม่ตายมาั แต่เราไม่ตั้งใจคิดจะฆ่าเขาอะเราขับรถอะเราเดินอะเรากินยานะเรากินยาพยาธิมันก็ตายเยอะไม่รู้ได้ยังไงมันไม่าตายมันก็อาจจะตายเยอะแยะแบบดแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอะไรใครเราต้องใช้ความพยายามฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะโดยสั่งให้คนอื่นทําโดยทําเองโดยวางกับดักเอาไว้โดยวางระเบิดไว้อะไรอะไรก็ไม่รู้นะตั้งใจให้คนอื่นก็ตายสัตว์อื่นก็ตาย แล้วกษัตริย์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นแต่ในรายละเอียดที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นรายละเอียดมันมากกว่านั้นอีกฮนะเช่นสมมุติ ว, ว่าสั่งว่าให้ในายกอไปฆ่านายขอนายกอไปบอกนายคอยจะฆ่านายขให้หน่อยนายกอทาทีขยันไปฆ่าเองเลยถามว่าคนสั่งไม่ผิดไหมคนสั่งไม่ผิดก็ไม่ได้สั่งนายกอเนี่ยนวินัยเนี่ยเขาไม่เอานะเขาไม่ปรับอวบัติ กฎหมายจะว่าก็ว่าไปแต่กฎหมายเราใจนกจะว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าคนนั้นเขาไม่ได้สั่งนายก็สั่งนายขอสั่งให้ในายกอจะบอกนายขอไปฆ่านายขอท่านเองนายกอไปไปท่ไปฆ่านายขอซะเองวินัยเขาไม่ปรับเพราะอะไรเพราะว่าสั่งผิดรายละเอียดเดยอะนะฮะจริงรายละเอียดเดยอ อย่างอาทิตยนาทานอะไรแต่อะไเหมือนกันไม่ใช่นิ่งเพี้ยเพี้ยไปเลยมันไม่ใช่อย่างงั้นมันต้องหนึ่งสิ่งนั้นเจ้าของหวงแขนมสองเรารู้ว่าเจ้าของหวงแขนมสามเราตั้งจะจิตคิดจะักตั้งจิตคิดจะรักนะแล้วก็สี่ใช้ความพยายามรักโดยวิธีใดก็ตามแล้วก็ได้ของนั้นมาได้ของนั้นมาที่จริงในแง่จริงอย่างไม่เปลี่ยนก่อนเต้าของต้องสละสิทธิ์ไม่เอาแล้วถ้าเจ้าของยังถือสิทธิ์อยู่ก็ถือว่ายัางรักษา ตัวเองยังไม่เป็นแต่เจ้าของสละดสิทธิ์ทีนี้บางทีเราไม่ได้จีกิจลักมัที่หยิบผิดอะไรเนี่ยหยิบผิดข อ, ของของก็หยิบผิดมาแล้ไม่ได้ จ, ดจีกิจลักเลยแล้วเอ้าผิดเราก็ไปคืนให้เขาแล้วบางทีเนี่ยเจตนาถือกันเองเรียนว่าคนเราคุ้นเคยการเป็นเพื่อนเป็นพวกกันเราถือกันก็เอามาแต่เจ้าของมาเกิด ไม่พอใจเราไม่ได้เจตนาลักเราเจตนาเอามาสัญญาติฉันเรียกวิสาสะคือคุณๆๆคือกันเราก็คืนเขาก็จบไม่ใช่ว่าขาดศีลอุตรูดไปหมดเลยมันมันมันมันจะต้องมีศีลแล้วต้องมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปดูทีนี้ที่ที่มันยุ่งมากๆเนี่ยหมายความว่าเราใช่อารมณ์มากไป อะไรเราก็ใช้อารมณ์ใช้ความเป็นของตัวเรื่องเรื่องทั้งหลายไม่ใช่เรื่องความเรื่องอารมณ์น่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องข้อเท็จจริงปัญหานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหาอารมณ์เรื่องทั้งหลายอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันก็เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนรกสวรรค์มันอยู่ที่ความมีไม่มีไม่ได้อยู่ที่ใครเชื่อไม่เชื่อทีนี้เราลงประเด็นเราใช้ความเชื่อเราเป็นเกณฑ์ ใช้ความเชื่อเป็นเกณฑ์ที่จริงมันต้องใช้ความรู้เป็นเกณฑ์ใช้ความเห็นเราเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรอกมันมันใช้ความรู้เรื่องนั้นศึกษาสืบสวนค้นคว้าไปตามกรรมวิธีในการรู้เห็นสิ่งเหลนะ่านั้นเพราะความเชื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรสมมติดากษสวรรค์ไม่มีทุกคนเชื่อว่ามีมันก็ไม่มีไม่ใช่ความเชื่อไปสร้างนารกสวรรค์ขึ้นแผ่ด้แล้ว ในโกสวรรค์มีทุกคนในโลกไม่มีใครเชื่อเลยว่าในรลกสวรรค์มีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้นรยกสวรรค์ไม่มีได้โลกสวรรค์มันก็มีเหมือนภูเขาอิมาลัยอนะครเหมือนมหาสมุทรเมื่อไรมา่อไรเนี่ยฮะทุกคนไม่เชื่อเลยว่าเกลือเค็มเกลือมันก็เค็มเหมือนไม่ได้เกี่ยวความเชื่อของคนมันอยู่กับปัญหาข้อเท็จจริงว่าเกลือนี่มันเค็มอะทุกคนไม่เชื่อมันก็เค็มทุกคนเชื่อมันก็เค็มแล้วไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรเลย เห็นไหความเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เพิ่มลดความเค็มของเกลือมันก็เค็มอยู่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราสับสนสับสนในการมองสิ่งละหลายในแง่ที่เป็นกระบวนการในแง่ของเหตุปัจจัยนะมันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นลอยๆมนแล้วรั้วจะมีเหตุปัจจัยทางนั้นเพราะงั้นแนวไปปักใจที่เรียกว่า อีดั้มใวัฏจักรหมู่ข้ามันอย่างอย่างนี้ท่านจริงอย่างอื่นไม่จริงออย่างนี้รุนแรงไปหน่อยรุนแรงไปหน่อยมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องอานร mm ูปเพราะแม้แต่สิ่งที่จริงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจริงเสมอไปหรือจริงทั้อย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันยังมีแง่มุมต่างๆอีกเยอะแนวของอริยสัจอย่างที่บอกผู้เจ้าแสดงไม่รู้จะกี่แนวแต่ก็คืออริยสัจ คืออริสัตแต่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงแนวเดียวกันไม่ต้องแสดงวิธีเดียวกันปัญหาสําคัญว่ า, าสิ่งเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยกิเลสลดทุกรดธรรมะเพิ่มความสุขเพิ่มนั้นก็คือปฏิบัติตำหลักของอริสัตเริ่มตรงไหนก็ช่างไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนั่นคือแนวในติภายตนาสูตรเราจะเห็นว่าช่วงแรกวันก่อนที่เราพูดนั้นเป็นเรื่องต่างศาสนา แต่ก็ยกเอาพุทธศาสนาเข้ามาเทียบเคียงไว้ด้วยแล้วนะฮะวันนี้เราพูดเฉพาะความคิดในสายพระพุทธรัสนาหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสิ่งนั้นหลายนั้นไปยืนยันอะไรไม่ได้มันดูที่เหตุปัจจัยกระบวนการของเหตุปัจจัยหลักต้าที่ตุปัจจัยยังมีอยู่เนี่ยผลเราก็ปฏิเสธไม่ได้ผล ม, มันจะต้องเกิดขึ้นตามสังเกต เ, เหตุเสมอไป วันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุนในธรรมจะมีท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถอย